ยังไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรทั้งสิ้นให้เอาเสียงเป็นอารมณ์จิตในการปฏิบัติด้วยการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบัดนี้พวกเราจะมาฝึกสมาธิภาวนา เพื่อสร้างจิตของเราให้มีพลังงานที่จะนำไปใช้ในประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นการฝึกสมาธิหรือคำว่าสมาธิ ชื่อของธรรมะประเภทหนึ่ง<ะ>ซึ่งแปลว่าความมั่นใจหรือความตั้งใจมั่นมั่นต่อการเดินยืนนอนนั่งรับทานดื่มทำ เมื่อเรามีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาหรือตั้งใจมั่นได้แก่การกำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดอยู่ทุกขณะติดทุกลมหายใจได้ชอว่าเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว คำว่าสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นขอให้นักเรียนทุกคนตรงเข้าใจคำว่าสมาธิในวงกว้างๆอย่าเข้าใจแค่เพียงแค่วิธีการ ที่ว่าเข้าใจเรื่องสมาธิในบ่มกว้า ง, างหมายถึงว่าเราสามารถที่จะฝึกสมาธิได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจแม้แต่ว่าเราอยู่ในห้องเรียนเราเรียนหนังสือเมื่อเรามีความตั้งใจแน่วแน่เราก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาเรียน หรือตลอดเวลาหรือตลอดชั่วโมงที่อาจารย์กำลังสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อาจารย์สอนพวกเราท่านจะรวมกำลังใจและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเรามีใจ จดจอต่ออาจารย์ผู้สอนเราก็ได้รับกำลังใจและวิชาความรู้จากอาจารย์อันนั้นก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิท้งนั้นส่วนสมาธิในวิธีการนี่ หมายถึงเรามานั่งขัดสมาธิท่องบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยบหนอพองหนอเป็นต้นอันนี้เป็นสมาธิในวิธีการและสมาธิไม่ได้สังกัดในลทัทธิและศาสนาใดๆคนศาสนาพุทธศาสนาคริส กิตตรามมูฮัมหมัดหรือคนไม่มีศาสนาเลยก็ยังฝึกสมาธิได้แต่ความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้าพระพุทธศาสนามีบทบัญญัติห้าข้อคือศีลห้า ลิตรศาสนาก็มีบัญญัติอยู่สิบประการซึ่งเรียกว่าบัญญัติของพระเจ้าในความแตกต่างอยู่กันที่ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นักเรียนกำลังตั้งใจฟังฟังธรรมะซึ่งหลวงพ่อกำลังถ่ายอทอดให้พวกเธอ เมื่อพวกเธอมีจิตจดจอ่อกำหนดรู้จิตของตนอยู่ตลอดเวลาก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาีนผลที่เราจะได้จากการฝึกสมาธินั้นทำให้จิตของเราตั้งมั่นหรือมั่นคงต่อการที่จะทำธุรกิจต่างๆ ทำให้เรามีจิตสงบเยือกเย็นแล้วก็มีเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะมีความเคารพบูชารับในบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราดีขึ้นจะมีความรัก ความเมตตาปราณีในเพื่อนนักเรียนด้วยกันจะทำให้เราหมั่นขยันในการงานมีการเรียนการศึกษาเป็นต้นทำให้เกิดมีความทรงจำดีมีสติปัญญาเฉลียวฉล า, าดรอบรู้คิดการงานอันใดจะไม่ท้อถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิจะเสริมกำลังปัญญาของเราให้ปราดเปลืองยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ทำสมาธิเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนได้สำเร็จผลมาแล้วก็มีอยู่หลายคนแม้แต่ในห้องเรียนของนักเรียนเราก็ทำสมาธิได้ ให้ทุกคนจำเอาหลักและวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนเมื่ออาจารย์มาสอนให้มองจ้องไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและจิตไปอื่นพยายามควบคุมจิตของเราให้จดจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์เท่านั้น พยายามฝึกให้คล่องตัวจำนิจจำนานถ้าเราฝึกต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเราให้ดีขึ้นเพราะได้กล่าวแล้วว่าในขณะที่อาจารย์สอนเรา ท่านรวมกำลังจิตและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเราเอาใจจดเนี่เอาจิตจดต่ออยู่ที่ตัวอาจารย์เราก็ได้รับเอาพลังจิตและวิชาความรู้จากอาจารย์ในระยะแรกๆให้สังเกตดูว่าถ้าจิตของเราไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์สายตาจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ ยองอยังไม่ลดละนั่นแสดงว่าเรากำลังเริ่มจะมีสมาธิขึ้นมาแล้วแล้วสังเกตดูความเข้าใจความจดจำของเราจะดีขึ้นภายหลังเมื่อจิตของของเราเรามีพลังแก่กล้าขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีสติดีขึ้นสายตายังจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ แต่ความรู้สึกในทางจิตจะมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาอาจารย์พูดอะไรให้ฟังจบประโยคลงไปช่วงระยะที่ท่านหยุดหายใจจิตของเราสามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้ว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไร เมื่อเวลาไปสอบผ่านคําถามจบจิตของเราจะวูบไปนิดหนึ่งคําตอบจะปุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาโดยไม่ต้องใช้ความคิดก่อนหน้าจะไปสอบบางทีจิตของเราจะบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้แล้ว ก็สอบจะออกมาตรงกับที่จิตของเราบอกนี่มีผู้ทาสำเร็จเป็นมีผู้ทาได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วเวลานี้นักเรียนมาฝึกสมาธิเพื่อจะให้มีความเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเอง หลักและวิธีการฝึกสมาธิในท่านังสมาธิเป็นกิริยาของจิตเว่าเรามีสติกำนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านั่ง ถ้าเวลาเรายืนกำหนดจิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าดิยืนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราในท่านอนเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านอนเวลาเดินจงกลมเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าเดิน ยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอริยาบทบริหารร่างกายเพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเถะถูกทรมานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการนั่งสมาธิอย่างเดียวแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําผูดคิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเรายึดหลักว่าเราจะฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราก็จะได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง เมื่อเราเข้าใจกันเช่นอย่างนี้การฝึกปฏิบัติสมาธิจะไม่มีอุปสรรคเพราะเราจะปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกโอกาสเอาตอนนี้ไปขอให้นักเรียนทุกคนจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่สักพักหนึ่งอย่าคิดอะไรทั้งสิ้น เพียงจะ่กำหนดรู้จิตเฉย อ, อยู่เท่านั้นเพื่อเรากำหนดรู้จิตเฉย อ, อยู่อะไรปรากฏเป็นชัดที่สุดในขณะนั้นให้นักเรียนนึกตอบในจิต คำตอบก็คือว่าลมหายใจจะปรากฏเมื่อลมหายใจปรากฏในความรู้สึกนั่นคือธรรมชาติของร่างกายในการปฏิบัติให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจให้เป็นปกติอย่าแปรแต่งลมหายใจ อย่าไปบังคับลมหายใจให้หายใจปกติธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราหายใจอยู่แต่ให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องเลิกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียด การมีสติกำหนดรูลมหายใจเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายเพราะธรรมชาติของร่างกายจะต้องมีการหายใจมันเป็นสิ่งเป็นเองโดยธรรมชาติเพราะเราตั้งใจอยู่ก็ตามไม่ตั้งใจก็ตาม การหายใจจะมีจู่อย่างนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดลมหายใจลมหายใจจะเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่ง ล, ลึกของสติเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปก็ปล่อยให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดไป ถ้าในบางท่วงจิตของเราทิ้งลมหายใจให้เกิดความคิดขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตของเรายังไม่มีพลังงานพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตเขาจะหยุดคิดทันที เมื่อจิตหยุดคิดแล้วจะกลายเป็นความว่างก็ปล่อยให้ว่างรู้อยู่ที่ความว่างถ้าว่างไปนานๆานลมหายใจปรากฏุก็กาหนดรู้ลมหายใจเพื่ออย่าให้มีความตั้งใจเป็นกรณีพิเศษเพียงจะรู้อยู่ในทีเท่านั้น เมื่อจิตเกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดเมื่อจิตว่างกำหนดรู้ความว่างลมหายใจเกิดขึ้นกำหนดรู้ลมหายใจความคิดเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดความคิดเป็นธรรมชาติของจิต เชื่อว่าจิตจะไม่ให้คิดเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาเรามีสติกําหนดรู้ได้เชื่อว่ารู้ธรรมชาติของจิตความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดมีพลังงาน ความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกำหนดรู้ลมหายใจความคิดความว่างให้จิตของเราเดินอยู่ในสามจังหวะนี้กำหนดรู้ด้วยความเบา ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอย่าไปบังคับจิตให้สงบเพียงแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของจิต เมื่อจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจจิตกำหนดรู้ธรรมชาติของกายเมื่อเกิดความคิดกำหนดรู้ความคิดเรียกว่ารู้ธรม ร, ธรมชาติของจิตถ้าจิตว่างก็รู้ธรรมชาติของจิตเมื่อเรามากำหนดรู้อย่างนี้ ลมหายใจก็ดีความคิดก็ดีความว่างก็ดีเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติไปจดจ้องอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตไปรู้อยู่ที่ความคิด ความคิดก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อไปกำหนดรู้ดูที่ความว่างความว่างก็เป็นฐานที่ตั้งของสติดังนั้นให้นักเรียนกําหนดรู้จิตของตนเองอยู่สักพักหนึ่ง แต่ยาไปบังคับจิตฉันจะขอสั่งพวกเธอไว้ว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแม้จะลึกซึ้งละเอียดเพียงใดก็ตามให้พวกเธออยู่ในสมาธิภายในหนึ่งนาภายในสามสิบนาที แล้วจวงตื่นจากผวังออกจากสมาธิทบทกัังที่ทำสมาธิให้จิตสงบนิง่งเป็นสมาธิอยู่ภายในสามสิบนาทีอย่าให้เกินนั้นแล้วก็ตื่นจากผวังออกมาสู่ปกติธรรมดา ให้ใจให้สบายทำใจให้สบายจะให้เกิดมีความตึงเครียดทุกสิ่งทุกอย่างปรับให้เบาสบาย การเคลิมเคลิมเหมือนกับจะง่วงนอนรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบอย่าไปตื่นตกใจให้กำหนดรู้จิตของตนเฉย อ, อยู่เมื่อจิตสงบอูบลงไปนิ่ง ก็ปล่อยให้จิตนิ่งร่างกายตัวตนไม่ต้องสั่นไม่ต้องโยกก็ได้ให้สงบสบายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่จิตสงบรู้ตื่นเบิกบานแม่จะมีปีติ เพือให้มีปีติเฉพาะในจิตเท่านั้นคือจิตรู้สึกแยมแยมก็ยจิมกระ ย, มะยิมอยู่ภายในไม่ต้องถึงกับตัวสัน่นตัวโยกตัวโครงประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจความ คิดและความว่า รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่งในท่านี้เน็บมันกวนปูกหลังจะขยับก็ได้แต่ให้มีสติถูกจริงทุกอย่างให้รักษาสติตัวเดียว ไปนี่ทุกคนตื่นจากพะวังนั่งให้ร่างกายตรงสูดลมหายใจช้าๆเบาๆจนเต็มปอดแล้วปล่อยช้าๆเบาๆ ไอีก ใจปกติธรรมดาโลูเด็ด้ายใจเฉยอยู่ อยู่แล้วเรามาฝึกสมาธิด้วยการสวดมนต์นั่งนน พ, พักเทียบธรรมดาธรรมดา ร, รวมจิตสวดมนต์ซะก่อนให้กำหนดสวดมนต์ว่า จังหวะช้าช้าแต่ให้มีสติที่ว่าทำสมาธิด้วยการสวดมนต์เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเวลาสวดบนกับเวลานั่งสมาธิคนละเรื่องเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าสมาธินี่เราทำได้ทุกโอกาส ต่อไปนี้จะพาสูตรมนต์ทำสมาธิให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสูตรแล้วทำความรู้สึกในการว่าไปแต่ตัวอักษรให้มันชัดเจนเอาเริ่มต้นด้วยอิิโ t อีติปิโซ ธรรมะสัททาเดวามนุษยานังบุตโธพระกวาตินึกในใจว่า สังโฆพระพคตรเจ้าพระธรรมพระสง์อยู่ในจิตของเราตลอดกานเพราะจิตของเราเป็นธรรมชาติรู้รู้ตัวนี้แปลว่าพุทโธพุทโธแปลว่ารู้เมื่อเรามีจิตรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็อยู่กับพุทโธตลอดเวลายืน รู้เราอยู่กับพุทโธนั่งรู้เราอยู่กับพุทโธนอนรู้เรานั่งอยูเอ่เรานอนอยู่กับพุทโธเดินรู้เราเดินอยู่กับพุทโธรับทานดื่มทำพูดคิดเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เรารับฐานดื่มทำพูดคิดอยู่กับพุทโธนี่พากันเข้าใจอย่างนี้จิตรู้คือจิตพุทโธพุทโธคือจิตรู้พุทโธแปลว่าผู้รู้ใครมีรู้กุนั้นมีพุทโธอยู่ในจิตตอนละตอนนี้ก็พัก ตามอัธยาศัยก่อนแล้วต่อไปอาจารย์อาจจะพาพวกเราเดินจงครม